จดหมาย 6 ความรักรักลูกรักของเป็นโลกที่อยู่เนื้อความเป็นจริงความรักเป็นอารมณ์ มนุษย์และสัตว์ทุกชนิดแสวงหาสิ่งเดียวกันคือความรัก เมื่อเรียกร้องมากจึงคาดหวังมากรักไม่มีประโยชน์รักกันนั้นดีแน่แต่ต้องมีสติเสมอรัก เหมือนแหวนเพชรก้อนใหญ่ราคาแพงย่อมเป็นที่หมาย ความรักเป็นอารมณ์สุดตรงความรักเป็นอารมณ์สุดขั้ว เมื่อสมหวังในรักแล้วสมหวังในรักแล้วความผิดหวังก็ยืนอยู่ใกล้ๆ เมื่อมองไม่เห็นเราๆเราอาจใส่กุญแจบ้านเช่นเพชรนิลจินดาได้แต่ความรักเราจะ อะไรหากไม่มีใจต่อกันความรักยิ่งมีอนุภาพมากเท่าใดไม่อาจห้ามความรักให้บินหนีได้อะไร แม่ได้พูดแล้วว่าได้พูดแล้วว่าความรักไร้เพศพันธุ์ความรักไร้เชื้อ แม่เคยเห็นคนตกลุ่มรักมามากถลำรัก และสุดท้ายสุดท้ายพ่อกรุณามุธิตาอุเบกขานั่นเองแม่มีเรื่องน่า 8 ตัวอย่างตัวเล็กมากตัว ขณะอีกกาตัวใหญ่แม่ไก่กําลัง 8 ตัวให้เข้ามาซุก แต่มองดูเพื่อนแล้วเห็นหายไปหมดจึงคิดเธอวิ่งอย่างรวดเร็วล้มลุกคลุกคลาน อีกาจึงรีบบินขึ้นไปจับราวอยู่ที่ขา 7 ตัวก็ ขณะที่อีกากําลังจะโฉบลงจิกลูกเจี๊ยบที แม้จะเหนื่อยและเจ็บเพียงใดดวงใจของแม่ ยอมเสียลูกรักของแม่ชีวิตสู้รบกับข้าศึกได้ ประเทศชาติและแผ่นดินเป็นสิ่งสําคัญที่เราทุกคนต้องสิ่งเหล่านี้จะทําให้ลูกมีกําลังใจ วันนี้แม่พูดถึงความรักอันบริสุทธิ์ให้ลูกฟังแล้ววันข้างหน้าจะพูดเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกขอคุณพระโปรดรักษาชีวิตลูกแม่ให้ปลอดภัยหลับให้สบายเถิดลูกรักจากดวงใจของแม่